141. ไทยยึดถือพระไตรปิฎกฉบับสยามรัตน์นี้เท่านั้นนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงการปานนี้และพระองค์ก็ไม่อำพรางมาตั้งแต่ยุค ข, ของพระองค์ประกาศจงแจ้งทิศที่ 62. ิจึงเป็นสูตรแรก ที่อาริยะผู้รู้โบราณอาจารย์ท่านช่วยการทำสังขายนามาเป็นตำราพุทธศาสตร์เอาไว้ให้สังคมโลกรู้ก่อนอื่นซึ่งเป็นประเด็นหลักสำคัญยิ่งว่า เป็นมิจฉาทิธี62นะที่ประดาอาริยาจารย์ซึ่งเป็นพระเถระอรหันทั้งนั้นร่วมยุคพระพุทธเจ้าท่านได้ช่วยกันบันทึกมาให้แก่เราชนรุ่นหลังเป็นหลักฐานศึกษากันดีๆเถิดสุดสูสังจะได้ปัญญายิ่งและพระเตปัญญยัง เห็นความจริงกันว่าจริงตามที่ท่านผูร้รู้พระอระหันต์เถราจารประมวลมาบันทึกอย่างเห็นความสำคัญยิ่งก่อนอื่นให้เราเรียนเรารู้นี้แล้วจะเห็นชัดว่ า, าศาสนาพุทธทุกวันนี้ มันผิดเพี้ยนการจริงหรือไม่จริงนี่ไม่ใช่การพูดพร่อยหรือพูดใส่คล้ายหาความเพราะหลักฐานขั้นพระไตรปิฎกนั้นเป็นหลักฐานสำคัญยิ่งยวดที่ยืนยันความจริงไว้ให้แก่ศาสนาพุทธของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนนี้มีหลักฐานยืนยันว่า สังคายนากันมาตั้งแต่ยุคพระเถระรุ่นที่ท่านร่วมยุคอยู่กับพระพุทธเจ้าไทยยึดถือพระไตรปิฎกฉบับนี้ฉบับเดียวเหนียวแน่นไม่ไปยึดเอาตำราที่เขียนหรือบันทึกจากอาจารย์รุ่นหลังอื่นๆพุทธไทยจึงเรียกว่าเป็นพุทธเถรวาท ไม่ได้รับเอาตำราที่เขียนขึ้นโดยอาจารย์รุ่นหลังอื่นๆใดเป็นหลักสำคัญขั้นหนึ่งเท่าพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนี้ดังนั้นหากใครไปยึดถือหรือเอาตำราอาจารย์อื่นเป็นสำคัญกว่าพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนี้ก็ไม่ใช่พุทธเทรวราชแล้ว ความจริงของศาสนาพุทธตามที่ชาวไทยยึดถือจึงต้องศึกษาเรียนรู้ตามพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเป็นหลักฐานยืนยัน